มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาทุติยวัคนามรูปปาปฏิสันทีขหานหะปัญหาที่หก ถามว่าทำสิ่งไรให้สัตว์โลกถือเอาซึ่งปฏิสนธิราชาจมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชะองค์การถามอัถปริสนาอื่นไปอีกเล่าว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้านน้ า, าเกษกิงปฏิสันธิยติทำสิ่งไรให้สัตว์โลกปฏิสนธิเกิดมานิมนวิสัชนาให้แจ้งก่อน พระนาคเษนถวายพระพรวิสัชนาว่ามหาราชาดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐสัตว์โลกที่เกิดมานี้นามารูปให้ปฏิสนธิขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชะองค์การซักว่านามารูปนี้แต่งให้สัตว์ปฏิสนธิประการใดพระนาคเษนวิสัชนาแก้ไขว่าหาไม่ได้ มหาราชะดูราณะบพิษ พ, พ, พระราชสมภารผู้ประเสริฐสัตว์โลกหญิงชายเกิดมาในโลกนี้กระทํากรรมคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมคือกระทําบาปบุญอิมินานามะรูปเปนะด้วยนามารูปนี้บุญสิ่งนั้นกรรมสิ่งนั้นให้สัตว์มนุษย์หญิงชายนั้นปฏิสนธิเป็นนามารูปอันอื่น อย่างนี้แหละเรียกว่านามารูปให้ปฏิสนธิขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรตรัสว่าพันเตนาคาเสณะข้าแต่พระนาคเษนผู้เป็นเจ้าถ้าบุคคลมิได้เกิดด้วยนามารูปนี้และเกิดด้วยบุญและบาปที่กระทำไว้ในนามารูปนี้แล้วผู้นั้นจะพ้นจากบาปกรรมหรือไม่ พระนาคเกษวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูรานะบพิษผู้ประเสริฐถ้าว่าไม่เกิดแล้วผู้นั้นก็พ้นจากบาปจากกรรมถ้าว่ายังจะเกิดไปอีกแล้วจะได้พ้นบาปกรรมหาไม่ได้ขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้ากระทำอุ ป, ปมาให้แจ้งก่อน พระนาคเซนถวายพระพรอุปมาว่ามหาราชดูราณะบอพิษพระราชสมภารเปรียปานดุดบุรุษผู้หนึ่งไปลักผลมะม่วงของเขามาส่วนว่าเจ้าของมะม่วงนั้นจับบุรุษโจรนั้นได้จึงเอาตัวไปทูลกับสมเด็จบรมกษัตริย์ว่าโจร น, นี้ลักมะม่วงกล้ากระหม่อมฉันโจร น, นั้นก็ทูลบ้างว่าขอพระราชทาน กล้าวกระหม่อมฉันจะได้ลักหาไม่ได้มะม่วงเจ้าของนี้เมื่อแรกปลูกนั้นอย่างอื่นปลูกไว้เมื่อเป็นต้นมีผลออกเป็นอย่างอื่นไปกล้าวกระหม่อมฉันก็เก็บเอามาจะได้ลักลูกมะม่วงที่บุรุษผู้นี้ปลูกหาไม่ได้และบุรุษโจรนั้นให้การเป็นสํานวนดังนี้จะพ้นโทษหรือประการใดขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรมีพระราชะองการตรัสว่าบุรุษโจรนั้นให้การเป็นสำนวนดังนั้นจะได้พ้นตัวหาไม่ได้คงจะต้องปรับไหมเป็นแท้พระนาคเษน จ, จึงถามว่าเหตุไฉนจึงต้องปรับเล่าพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นกษัตริย์ตรัสว่ามะม่วงเขาปลูกไว้จนมีผล บุรุษโจรรับว่าไปเอาผลมะม่วงนั้นมาแล้วให้การเป็นสำนวนว่าบุรุษเจ้าของปลูกไว้ก็จริงก็แต่ผลมะม่วงเดิมนั้นไม่ได้ลักที่ข้าเอามานี้ผลมะม่วงเป็นต้นเกิดขึ้นมาใหม่ต่างหากเป็นผลมะม่วงอื่นไม่ใช่ผลมะม่วงเดิมข้าเอามานี้ผลมะม่วงใหม่บุรุษโจรให้การชนนี้ ก็เป็นอันรับในคำหาซึ่งผลมะม่วงที่โจรลักมาก็เกิดแต่ผลมะม่วงเดิมเหตุกรนีแหละควรจะลงโทษปรับไหมแก่โจรนั้นพระนาคเษนจึงว่าความนี้ฉันใดมนุษย์หญิงชายกระทําบาปกรรมสิ่งไรด้วยนามรูปในปัจจุบั น, นชาตินี้ครั้นกระทํากาละกิริยาตายไปในปารโลก เกิดเป็นรูปประธรรมนามธรรมอื่นจะได้พ้นไปจากบาปกรรมหาไม่ได้เปรียบดังโจรลักอำพภผล น, นั้นขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชะองค์การตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้ากระทำอุปมาให้ประหลาดกว่านี้พระน่าเกษมมีเถระวาจาอุปมาว่ามหาราชดูรานะบพิษพระราชสมภาร ปรียพานดุดบุรุษผู้หนึ่งไปลักเกี่ยวข้าวสาลีในนาเขาเจ้าของเขาจับตัวได้จึงเอาตัวไปกราบทูลแก่บรมกษัตริย์ว่าบุรุษผู้นี้เป็นโจรลักข้าวสาลีในนาบุรุษโ จ, จรจึงทูลว่าข้าวสาลีซึ่งบุรุษผู้นี้ปลูกหวานลงไว้ข้าพระพุทธเจ้ามิได้ลัก นี่ข้าพระพุทธเจ้าเอารวงข้าวสาลีอันเกิดต่อมาต่างหากนี่แหละบพิษพระราชสมภารเมื่อโจร น, นั้นให้การชนี้โทษจะมีแก่โจร น, นั้นหรือประการใดพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ตรัสว่าโทษปรับไหมคงจะมีพระนาคเกษจิงซักว่าโทษปรับไหมมีด้วยเหตุอย่างไรพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ตรัสว่า ข้าวเขาหว่านไว้มีเมล็ดรวงขึ้นโจรนั้นไปลักเอารวงข้าวนั้นมาแล้วกลับว่ารวงข้าวนั้นไม่ใช่ของบุรุษเจ้าของข้าวบุรุษเจ้าของข้าวนั้นหวานลงไปก็เป็นต้นเป็นลำกลายเป็นอื่นไปซึ่งโจรให้การต้องในคําหาดังนี้เหตุกรณีโยมจริงว่าโจรนั้นไม่พ้นโทษปรับไหมพระน้าเกษณจริงว่า ความเปรียบเทียบนี้ฉันใดก็ดีบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐมนุษย์ชายหญิงซึ่งเกิดมาเป็นรูปประธรรมนามธรรมกระทั่บาปกรรมไว้ในชาตินี้จะมีรูปประธรรมนามธรรมไปชาติหน้าเป็นรูปประธรรมนามธรรมอื่นจะพ้นจากบาปกรรมหาไม่ได้อุปมาเหมือนโจรไปลักข้าวเขาแล้วกลับว่าเอาข้าวอื่นมา มิได้พ้นโทษปรับหมฉะนั้นอันหนึ่งเล่าเปรียบดังบุรุษผู้หนึ่งไปลักตัดอ้อยเขาบุรุษเจ้าของจับตัวได้จึงมัดเอาตัวเข้าไปกราบทูลแก่พระมหากษัตริย์ว่าโจรคนนี้ลักอ้อยกระหม่อมฉันโจร น, นั้นก็ทูลบ้างว่าขอพระราชทานเดิมบุรุษผู้นี้เอายอดอ้อยมาปลูกไว้ ยอดอ้อยก็แตกหน่อกอใบเป็นต้นลำเป็นอันอื่นไปและข้าพระพุทธเจ้าจะได้รักอ้อยเดิมแรกปลูกหาไม่ได้อ้อยนี้กลายไปข้าพระพุทธเจ้าจึงได้เอาอ้อยอื่นมานี่แหละมหาบ่อพิษคำโจรทุนให้การชนี้จะมีโทษปรับไหมหรือหาไม่ได้พระเจ้ากรุงมิลินปิ่นสาขราช จึงตรัสว่าคงจะมีโทษปรับไหมเป็นแท้พระนาคเกษจึงซักถามว่าเหตุชไหนบ่พิษพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินจึงตรัสว่าอ่อเพราะว่าให้การต้องในคําหาและโจรแก้ว่าอ้อยนั้นเป็นอ้อยอื่นอ้อยเดิมนั้นเป็นขึ้นกลายเป็นอ้อยอื่นอ้อยเดิมนั้นตัวหาได้ลักไหม และให้การกรณีจะพ้นตัวหามิได้ไปลักอ้อยของเขามาแล้วว่าข้าเอาอ้อยอื่นมาจะได้พ้นโทษหามิได้นะพระผู้เป็นเจ้าพระนักเขเีน จ, จริงว่าเล่าว่าซึ่งบุคคลกระทำบาปกรรมไว้ชาตินี้ก็เหมือนกันกรรมคงจะตามตนไปถึงจะเกิดในโลกเบื้องหน้าเป็นรูปธรรมนามธรรมอื่น จะได้พ้นจากบาปกรรมหาไม่ได้ดุจบุรุษโจรลักอ้อยเขามาแล้วกลับว่าอ้อยอื่นมิได้พ้นจากโทษนั้นอันหนึ่งดูรานะบพิษพระราชสมภารเปรียปานดุจบุรุษผู้หนึ่งนั้นเหมันตะเกกาเลฤดูนั้นเป็นเหมันตะฤดูหนาวกลางหาวหมอกลงนี่กะไรบุรุษผู้นั้น จึงเอาไฟมาก่อกองขึ้นผิงแล้วทิ้งไว้ไม่ได้ดับเสียไฟนั้นก็ลามเลียไหมใบไม้และหญ้าลามมาไหมข้าวในนาเสียหลายกองเทตะสามิกโก้ไฟเจ้าของนารู้ว่าบุรุษนั้นเป็นต้นไฟจึงจับเอาบุรุษนั้นเข้าไปกราบทูลแด่บรมกษัตริย์ว่าบุรุษผู้นี้แหละเผาข้าวในนากระหม่อมฉัน บุรุษต้นไฟนั้นก็ทูลให้การว่ากระหม่อมฉันจะได้เผานา้านายคนนี้หาไม่ได้เดิมกระหม่อมฉันกองไฟผิงแล้วทิ้งไว้ไฟนี้ก็ลามไปไหม้ใบหญ้ากลายมาเป็นไฟอื่นจะได้เป็นไฟที่กองผิงหาไม่ได้นี่แหละเมื่อบุรุษต้นไฟให้การชนี้จะมีโทษหรือหาไม่ได้ สมเด็จพระเจ้ามิลินปินสาคาราชประพาธว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโจรให้การฉนน้เล่าจะพ้นผิดหามิได้ขอถวายพระพรเหตุอะไรอ๋อเหตุว่าบุรุษนั้นเป็นต้นไฟชั้นใดก็ดีมหาบพิิษผู้ประเสริฐบุคคลเกิดมาเป็นรูปประธรรมนามรธรรมได้กระทาบาปกรรมไว้ ครั้นสิ้นชีวิตดับจิตไปเกิดเป็นรูปประธรรมนามธรรมอื่นไปจะได้พ้นจากบาปกรรมที่ตนกระทําหาไม่ได้มีอุปมาเหมือนบุรุษต้นไฟอันมิได้พ้นโทษนั้นขอบ่อพิจงทราบในพระบวรราชสันดานด้วยประการชนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าโยมยังไม่สิ้นวิมติสงสัย นิมนต์ผู้เป็นเจ้าอุปมาให้ยิ่งขึ้นอีกก่อนฝ่ายพระนาคเสนถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารโกจิเทวปุริโสเปรียบดุจบุรุษผู้หนึ่งจุดซึ่งประทีปเข้าไปรับประทานอาหารที่โรงร้านของอาตมาครั้นบริโภคอาหารแล้วก็คมนาการไปส่วนว่าไฟประทีปนั้น ก็ไหม้ยญ้าลามไปไหม้ฝาเรือนอันหนึ่งเปรวไฟก็ทะลึ่งลุกลามไหม้ซึ่งเรือนน้อยเรือนใหญ่ที่นั้นก็ไหม้ไปทั้งบ้านทั้งนครชาวบ้านจึงพากันมาเอาตัวบุรุษต้นไฟนั้นไปตามอาจยาไฟบุรุษผู้นั้นจึงว่าไฟที่ไหม้บ้านนี้ไฟไหม้ยญ้าดอกไม่ใช่ไฟประทีปของข้าที่จุดไว้เมื่อบุรุษต้นไฟให้การเชนี้ จะไม่มีโทษหรือบอบพิษพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นกษัตริย์มีพระราชโอการตรัสว่าบุรุษที่ตามประทีปต้นไฟให้การนั้นจะให้พ้นโทษหาไม่ได้พระนาคเษนถวายพระพรว่าฉันใดก็ดีบุคคลที่เกิดมาเป็นรูปประมนามธรรมนี้กระทำบาปไว้ครั้นเมื่อตายไป นามรูปนี้จะวิปริตแปรปรวนไปเป็นนามรูปอื่นคือจะไปปฏิสนธิเกิดใหม่แล้วจะเกิดต่อไปอีกก็ดีจะได้พ้นจากบาปกรรมหาไม่ได้ดุดบุรุษจุดประทีปรับประทานอาหารให้ไฟไหม้บ้านนั้นขอบพิษพระราชสมภารจงทราบในพระบวรสันดานด้วยประการชะนี้พระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดี มีพระราชองค์การตรัสว่าซึ่งพระผู้เป็นเจ้าอุปมานี้โยมยังวิมติสงสัยอยู่นิมนตระทําอุปมาให้ยิ่งไปกว่านี้พระนาคเสน จ, จึงมีวาจาถวายพระพรว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชาสมภารเปรียบปานดุลบุรุษผู้หนึ่งจะมีภรรยาบุรุษผู้นั้นพอใจนางกุมารีเด็กน้อยผู้หนึ่ง จึงให้คนติดสอยเข้าไปขอต่อบิดามารากุมารีนั้นบิดามารากุมารีนั้นเห็นว่าบุรุษผู้นั้นมีอัธยาศัยดีก็ยินยอมยกให้บุรุษนั้นสูงกังทัตวาบุรุษผู้นั้นได้ให้ขันหมากมั่นแล้วตัวนั้นก็ลาไปสู่สถานประเทศอันไกลอปเรณสมเยนะครั้นสมัยการนานมาส่วนว่า นางกุมารีนั้นก็เจริญรุ่นขึ้นมาบิดามารดาจึงยกให้มีสามีอื่นกระทำการวิวาหะมงคลมีขันหมากรากพลูอยู่ด้วยกันอิดโรอาคันตวาสามีเดิมจึงมาว่ากับบุรุษสามีทีหลังว่าท่านนี้พาภรรยาเราไปข้างไหนบุรุษสามีใหม่เอวังวัทยะจึงว่า ท่านมาขอกุมารีนี้เมื่อน้อยท่านก็เป็นสามีนางกุมารีนี้เมื่อน้อยนั้นบัดนี้นางกุมารีนี้มิได้เป็นภรรยาท่านด้วยนางกุมารีนี้มีวัยวัฒนาการรุ่นเป็นสาวใหญ่เป็นอื่นไปพ้นไปจากภรรยาท่านเราจึงมาขอต่อบิดามารดาบิดามารดายกให้แก่เราสงกังทัตวา เราก็ได้ให้ขันหมากรากพลูกแก่บิดามารดาบิดามารดาก็กระทำการวิวาหะมงคลให้อยู่กินด้วยกันนางกุมารีนี้จะได้เป็นภรรยาท่านหาไม่ได้ถ้าว่าสามีเดิมกับสามีใหม่จะเป็นความกันไปใครจะแพ้ใครจะชนะขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรมีสุนทรวาจาตรัสว่า สามีใหม่นั้นแพ้แหละพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษน จ, จึงถามเล่าว่าสามีใหม่จะปราชัยแก่สามีเก่าด้วยเหตุไรเล่าอ๋อผู้เป็นเจ้าสามีเก่าเขาได้มามั่นขันหมากรากพลูสู่ขอบิดามารดาหญิงบิดามารดาหญิงได้ยอมยกให้ยกปันกันก่อนถึงว่าจะยังไม่สังวาส ด, ด้วยกันก็ดีกฎหมายท่านว่า เป็นกรรมสิทธิ์อยู่กับผู้นั้นเหตุด้วยบิดามารดายกให้และสามีใหม่ชอบจะให้ปรับไหมอันหนึง่งและคำสามีใหม่ซึ่งจะติดใจว่านางกุมารีนั้นโตใหญ่เป็นอื่นไปและจะมีคำติดใจให้ใส่บทหารือบทจะได้ขึ้นหาไม่ได้คงจะต้องปรับหมายชายนั้นโสดเหมือนโทษผิดภรรยาท่าน นี่แหละบ่อพิษพระราชสมภารซึ่งคำสามีใหม่ให้การว่าเดิมนางกุมารีนี้ยังน้อยอยู่ครั้นเติบโตใหญ่ก็เป็นอื่นไปและสามีใหม่ให้การชะนีโสดโทษไม่พ้นตัวฉันใดบุคคลกระทําบาปกรรมในนามรูปที่เกิดมานี้ถึงจะใกล้ตายรูปธรรมนามธรรมจะแปรปรวนเป็นอนิจจ์อันยังจะเป็นอื่นไป จะปฏิสนธิเกิดใหม่รูปประธรรมนามธรรมเป็นอื่นไปแล้วบาปกรรมที่ทำไว้จะได้พ้นหาไม่ได้เมื่อเราท่านทั้งหลายยังมิลุล่วงเข้าสู่สิวาไลาไปนิพพานเมื่อใดผู้ที่ทำบาปกรรมไว้นั้นจะนิราชคลาดแคล้วแล้วกันไปหาไม่ได้มีอุปไมเหมือนนางกุมารีน้อย ถึงจะมีรูปร่างรุ่นราวเป็นสาวใหญ่อย่างไรก็ดีที่จะพ้นสามีเดิมไปหาไม่ได้ขอบอภิษพระราชสมภารจงทราบในพระราชบวรสันดานด้วยประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงมีลินภูมินธราธิบดีมีพระราชค์การตรัสว่าอารัตนานิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาอุปไมให้พินโยภาวะยิ่งขึ้นไป ให้โยมสิ้นสงสัยก่อนพระนาคเกษจึงถวายพระพรอุปมาว่าโกจิเทวะปุริโสยังมีบุรุษผู้หนึง่งไปซื้อน้ํานมโคกับนายโคบาล น, นายโคบานก็ตวงน้ํานมใส่หม้อให้กับบุรุษผู้นั้นบุรุษผู้นั้นจึงเอาหม้อน้ํานมฝากนายโคบาลไว้แล้วก็ไปทําการอื่นทิ้งไว้คืนหนึ่งจึงกลับมาส่วนว่าน้ํานม ครั้นล่วงเวลาค้างราตรีต้องแสงพระสุริสีสายก็กลับกลายเป็นทธิไปครั้นบุรุษผู้นั้นรำลึกขึ้นได้จึงไปสู่สำนักนายโคบาลจึงว่ากับนายโคบาลว่าข้ามาหาท่านจะเอาของที่ฝากไว้ตั้งทัตไส ย, ยะนายโคบาลจึงว่าท่านนี้ลืมไปหรืออย่างไร ว่าแล้วก็ส่งหม้อน้านมนั้นให้อิตโรเอวังวัทยะบุรุษผู้นั้นจึงว่าแกนายโคบาลว่าวานนี้ท่านตวงน้านมโคให้แก่เราเราฝากท่านไว้ก็เหตุชะไหนท่านจึงเอาทัตทิมาให้แก่เราเราไม่เอานายโคบาลว่าเราจะได้เอาทัตทิอื่นให้ท่านหาไม่ได้ ท, ทัตินี้ใช่อื่น คือน้ำนมนั่นแหละค้างอยู่เป็นคืนหนึ่งแล้วก็กลายเป็นทัติไปบุรุษผู้นั้นไม่เอานี่แหละบอ่อพิษพระราชสมภารเจ้าคำคนทั้งสองที่วิวาทกันชะนี้จะจริงข้างใครพระเจ้ากรุงมิลินปินธรณีจึงตรัสวินิจฉัยว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าคำคนทั้งสองซึ่งวิวาทกันนี้จิงข้างนายโคบาล พระนาเคเสนจิงว่าดูราณะบอพิษพระราชสมภารเป็นเหตุชไหนเล่าจึงจริงข้างคํนายโคบานพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ว่าบูรุษผู้นั้นลืมน้ำนมไว้ค้างคืนน้ำนมนั้นก็กลายเป็นอื่นไปจะเป็นทัิอื่นหาไม่ได้น้ำนมนั่นแหละกลายเป็นทัินะพระผู้เป็นเจ้าพระนาเคเษนถวายพระพรว่า น้ำนมนี้กลายเป็นอื่นฉันใดก็ดีรูปประธรรมนามธรรมนี้ของสัตว์ผู้ใดมรณนันติกังเมื่อใกล้าตายกลายเป็นอื่นถึงจะจุติเกิดเป็นรูปประธรรมนามธรรมอันอื่นก็ดีแล้วจะจุติปฏิสนธิต่อไปอีกเท่าใดก็ดีจะได้พ้นจากบาปกรรมที่ตนกระทำไว้แต่นามรูปเดิมหาไม่ได้เหตุว่านามรูปเดิมนั้น ถึงจะเป็นอื่นไปจะเป็นมนุษย์เดรัฉานประการใดก็ดีนามารูปเดิมนั้นเปรียบดุดน้ํานมนางโคค้างคืนกลายเป็นอื่นเป็นอื่นไปคือเป็นสับ ป, ปินวานิธทัติไปก็อาศัยน้ํานมนางโคนั้นแปลกลับกลายไปขอบอพิจงทราบพระไท่ด้วยประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินปินทรณีพระองค์ ได้ทรงฟังอุปมานี้มีพระราชโอการตรัสว่าสาธุสะพระผู้เป็นเจ้าว่านี้สมควรแล้วนามรู ป, ปะปฏิสันทิคหานะปัญหาเป็นคำรบหกจบเท่านี้